أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل ّ وسلّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم พระบิช ل ์ฉั ر ลีซัดรี ا ัยสิ ي ์ลีอัมรีวะพลูลูงุกดะเตมิลิสานียฟควาลี Allahumma unfagan bima a l a m t ا n a wa a ن i m ن a ma yufaguna wabanaatina m الحمد لله น, นี่เป็นอินชาอัลล์น่าจะหมสุสลรมนะครับสุรัตอินชิคาะเราจะอ่านให้จบอินชาอัลลอฮ์ س ب ح ا ن และ ت นะครับเป็นสุรัที่พูดถึงสภาพเหตุการณ์ในวันเกียรติเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้กลับมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นการตักเตือน เป็นการสำทับไม่ให้เรานั้นใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่หลงระเริงไม่ได้เตรียมตัวเพื่อการกลับไปหาอัลลอฮฺ س ب ละในวันอัคยรัตนะครับมาอ่านกันก่อนอ i n วันนี้ให้จบสรุราเดี๋ยวจะมีสัจด้ะด้วยนะครับ จะเดือดร ا ل งอย่าทิ้งเสาานะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ ا ัลลอฮฺอัลล ا ل ل ه ัลลอฮฺอัลลอฮ إذا السماء شقت، وإذا ا ل ا شقت، وأذنت لربها و ح ق ت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت, وأزنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي ه فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابي َ س ي, ي ر وينقلب إلى. س و ف ي د ع و บาลา لا تركبون طبقاً بقّ، طبق طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجُدون الذين كفروا يكذبون، وللذين ي ق و ن و والله أعلم بما يعون. والله ع ل م بما يعون. فبشرهم بعذاب. <تصفيق> إلا الذين آمنوا و ع م ل ا ل ص ا ل ح ا ت لهم أجر غير م م ن ลละสุรทุลอินชิควับสุรที่ว่าด้วยการแตกออกของชั้นฟ้าทั้งหลายนะครับวันนี้อายตที่16ฟาลาอักซ์มุบิชฟักวัลเลลิลวมะวาสักวัลคมริอิฎัสักนครับอายะนี้เป็นอายตที่อัลลอฮฺซุบฮานะวาะาลได้พูดหลังจากที่ได้ทรงกล่าวถึง สภาพของมนุษย์ในวันอาเครัสนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งก็คือ ف م <ت ط Anch or> เราได้อธิบายแล้วนะครับว่าผู้ที่ได้รับหนังสือด้วยมือขวาละตัลละก็จะให้เราได้เห็นสมุดบันทึกของเรา และเราละเราจะเราจะสอบสวนอย่างง่ายง่ายจะไม่จี้จะไม่ทีละนิดไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าใน hadith ท่านนบีบอกว่ามันฮูซิวะฮุซิบใครก็ตามที่ถูกสอบสวนอย่างละเอียดเนี่ยแสดงว่าจะได้รับการลงโทษในนรกอย่างแน่นอนนะอู๊ดบิลละฮ์มิล พวกที่สองก็คือพวกที่รับหนังสือจากมือซ้ายและก็จากข้างหลังไม่ใช่เฉพาะซ้ายอย่างเดียวรับจากข้างหลังด้วยอันเนื่องมาจากนะครับการประพฤติชั่วของเขาเขาได้อ่านเองว่าในชีวิตของเขาบนโลกนี้เขาทําอะไรบ้างทําอะไรยังไงทุกอย่างนี้เขาจะได้อ่านเองจนกระทั่งเขาจะกล่าวกับตัวเองในวันนั้นว่ายะเลต า, านีลำอูตะกิตาเบีย ฉันไม่อยากจะรับหนังสือนี่เลยฉันไม่น่าจะรับสมุดบันทึกนี่เลยชีวิตของฉันน่าจะจบๆเลยยาเลตานีลัมอูตะคิตาเบะฮะในซุร่าอัลฮักะนะครับที่ Allah อลัลลอฮฺตรัสว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะประนามตัวเองจะสับแช่งตัวเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเนื่องจากความที่เห็ น, นผล ของการกระทำของตัวเองที่เลวร้ายมากนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะ า, าลาก็เริ่มอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นในการตอกย้ำสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้ด้วยการสาบานฟาลาอุกซิมูบิเชฟกออันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสำนวนในการสาบานอย่างหนึ่ง นะครับใน Al อัลกุรอานที่ผ่านมาที่เราเรียนก็คืออะไรเริ่มต้นด้วยยังไงจาได้ไมพี่น้องจาได้ไหครับาบานอัลาาละห์เริ่มต้นว่ายังไงอันนี้ก็มีหลังจากนั้นวัลอสุเริ่มด้วยวาวใช่หมครับวัลอรเราเรียนแล้ววัดฮวลอะอีกอวัชัมสวัชัมสที่เราเรียนยังยังไม่เรียนยังไม่ถึง นะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่อลล็อสุภาวตาลาจะสงสาบานในคำพีของพระองค์อีกวิธีหนึ่งพระองค์ใช้อย่างนี้ฟะละอุกซิมบิษะฟักจริงๆแล้วค้าจะไม่สาบานเนี่ยแปลค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับลาตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการปฏิเสธเพราะฉะนั้นข้าจะไม่สาบานด้วยแสงแดงที่จับขอบฟ้าเนี่ยอาจจะต้องลบ คำว่าไม่ทิ้งข้าขอสาบานด้วยแสงที่จับขอบฟ้านะครับนักตรศีษดูเขาบอกว่าละมาซีดะตุนลิตะขีดิลกัสมลาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าไม่แต่เป็นการเอ่อสียะอะไรนะักเรียกว่าเป็นละมาซีดะละซาอิดะเพื่อเป็นการตะคิดในการสาบานของลอสเราแต่ละซึง่ง มันจะมีซูรห์ที่ใกล้เคียงอย่างเช่นลาอุกซิมบิยุมิลกิ亚马ไม่ใช่การปฏิเสธนะลาตัวนี้แต่เป็นการสาบานนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นมาในการเพิ่มน้ำหนักในการสาบานเข้าไปอีกใช่ครับเป็นการเน้นย้ำนะครับเพราะฉะนั้นอายัดนี้จึงหมายถึงว่าค้าขอสาบานด้วยแสงแดงที่จับขอบฟ้าหลังดวงอาทิตย์ตกอัชชะฟะหมายถึงช่วงเนี้ ช่วงที่ถึงเวลามากริบใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ตกเนี่ยแสงหมดไปหรือยังครับยังไม่หมดนะครับยังมีแดงๆอยู่พอพอแสงสีแดงนี้หมดเนี่ยแสดงว่าเริ่มเข้าเวลาอิชานะครับสาบานอันที่หนึ่งสาบานกับแสงแดงที่จับขอบฟ้าไม่รู้ว่าพวกเราเคยสังเกตรหรือเปล่าแตไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเคย พิจารณาความสามารถของอัลลอฮฺเต์อัลาในเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> หลายเรื่องเหลือกเกินที่อัลลอฮฺตาลาพูดถึงในอกุรอานแต่เราไม่เคยพิจารณาเวลาก็ไม่เคยพิจารณาอะวั ด, ดูฮาก็ไม่เคยพิจารณาช่วงสายๆไม่เคยพิจารณานี่อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยพิจารณาเหมือนกันหลังมื่อเกบมีใครที่เคยพิจารณาแสงแดงๆหลังจากดวงอาทิตย์ตก บ, บ้างอัลลอฮฺตาลาเรียกให้เราไปดูนะครับฟล فلا أقسم ب ا ل ش ฟ ق มีฮิกคบันอะไรวันและคืนว่ามาวสักวสักเนี่ยไม่ถึงอะไรนะครับวสักจมุ่งเาารืเ่องของาาเรื่องของเรื่องของเรื่องขางเรืองของร่อเ่งของ่องร่องขอ่องขอเ่องของคืนองขอเ่กลางคืนองขร่งเืองขรื่เอ่องของเ่งของ่อง่งทองท่องอ่องขอ่งอื่งื ไม่ใช่เฉพาะกลางคืนอย่างเดียวอะไรบ้างอยู่ในกลางคืนนะเหมือนกับที่อัลลอฮฺตรลสบอกว่ากุลลางูุบิรับบิลฟาลักมีชรริมะฮัลักว่ามีชรริกาซิคินิดาวะกบกาซิคไม่ถึงเวลากลางคืนที่มันคืบคลานเข้ามาพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยอะไรต่างๆที่มันไม่เคยมีในเวลากลางวันที่มันออกมาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะบางสิ่งบางอย่างไม่ออกมากลางวันสัตว์บางชนิดหากินกลางคืนฮะ เชื้อโรคบางชนิดไม่ทํางานเวลากลางวันแบคทีเรียแม้แต่พืชบางชนิดสิ่งมีชีวิตบางชนิดเนี่ยจะเรียกว่าร่าเริงในเวลากลางคืนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในในในเชิงที่ไม่ค่อยไม่ค่อ ย, อยเป็นที่ชื่นชอบเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะจะทํางานในเวลากลางวันนะถ้าเป็นกลางคืนส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกงู พวกแมงปองพวกหนูนะเ ป, นเป็นสัตว์ที่เราเองก็ไม่ค่อยชอบอันนี้คือสัตว์ในขณะที่มนุษย์เองก็เหมือนกันมนุษย์ดีๆนี่มันไม่ค่อยออกหอกลางคืนส่วนใหญ่แล้วที่ออกกลางคืนนี่จะเป็ น, นมนุษย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่ไปหาที่ที่มันแบบอาลลอฮบิลิลลาฮิมีนซาริกนะครับอัลลอฮวาลลลฮบอกาเราต้องการให้เราสังเกตว่ากลางคืนมีอะไรนะครับที่มันรวมอยู่ในเวลากลางคืน วอลคารัและสาบานด้วยดวงจันทร์เมื่อมันสว่างเต็มดวงอัลลอสวยมากนะครับดวงจันทร์เวลาที่มันสูเวลามันเต็มดวงขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นภาพที่คนทั่วโลกให้รางวัลให้คะแนนดวงจันทร์สวยจนกระทั่งว่าเอามาเปรียบเทียบกับหลายๆอย่างใบหน้าส ขาวเหมือนกับแสงนวลของดวงจันทร์เนี่ยมีการพูดถึงทุกชนชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนไทยเวลาเขาจะเปรียบผู้หญิงสวยหน้าสวยก็เปรียบกับดวงจันทร์คนไทยด้วยคนมาลายูด้วยคนอาหรับด้วยคนอื่นๆด้วยคนทั่วโลกมีความเห็นตรงกันว่าดวงจันทร์ที่เต็มดวงเนี่ยสวยงามสวยนะครับเราเคยสังเกตไหมนี่เราเป็นอัล์อุลกุรอาน เราเป็นเจ้าของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะลาพูดถึงดวงจันทร์เราเคยสังเกตดวงจันทร์เวลาที่มันเต็มดวงไหมน้องครับสังเกตดูให้ดีอายัดนี้อัลลอฮฺตะลาสาบานทีละอย่างทีละอย่างตามขั้นตอนตอนแรกสาบานตอนที่มันแบบครบค่ํานิดนิดในภาพอบอกไหมครับประมาณหกโมงครึ่งประมาณหนึ่งทุ่มหลังจากนั้นสาบานกับเหตุการณ์หลังจากนั้นต่อไปก็คือกลางคืนสองทุ่มสามทุ่ม อันสุดท้ายสาบานกับสิ่งที่สวยงามที่สุดในเวลากลางคืนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปสเต็ป سبحان อัลลอฮทุกครั้งที่อัลลอฮ์จะอาลาสาบานเนี่ยพี่น้องจะต้องสังเกตว่าหลังจากที่พระองค์สาบานเนี่ยจะมีอะไรโดยปกติแล้วการสาบานของอัลลอฮ์กับสิ่งที่พระองค์จะบอกเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกัน เวลาอสรอินนัลอินชาอัลฟิหุสขอสาบานด้วยการเวลาอายัดหลังจากนั้นมาบอกว่ามนุษย์อยู่ในความขาดทุนเกี่ยวข้องไหมครับกับเวลาที่พระองค์สงสาบารอยู่ในขาดทุนก็คือชีวิตของมนุษย์นี่ขาดทุนชีวิตของมนุษย์เกี่ยวกับเวลาไหมนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกว่าการสาบานของอัลลอฮ์กับสิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกผ่านวิธีการสาบานเนี่ย ปกติแล้วมันจะมีความเกี่ยวข้องกันทำไมอัลลอฮฺาต้องสาบานกับเวลาพลบค่ำแล้วขยับเข้ามาช่วงเวลากลางคืนและสุดท้ายสาบานกับช่วงที่ว่าเป็นไฮไลท์ของเวลากลางคืนก็คือดวงดวงดวงดว ง, ดวงจันทร์ที่มันสุกสว่างสกาวเหตุการณ์หลังจากนี้แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺาต้องการบอกเราและท๊อคบุนทับกันอัน พ้อบอกว่าพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่งเกี่ยวข้องไหมกับการสาบานก่อนหน้านี้เล็กๆ น, น้อยๆพี่น้องก็ได้เห็นต่บนคาุนะพบกคนอัานตบอกพ่อองบอกว่าเราเนี่ยชีวิตของเราเพอถึงวันเกียระิ์เนี่ยจะเจอทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง อันดับแรกที่เราเจอคืออะไรกลา บ, บอกไหมครับทราบไหมฮะไม่น<ะ> <Why no. S 1> ไม่ใช่หลังจากที่เราจะเสียชีวิตไปแล้ว oh. <laughs> เสียชีวิตไปแล้วก็เจอกับผ้าขาวเอาแบบเล็กๆ ก, ก่อนใช่ไหมฮะผ้าขาวเสร็จก็ไปวางไว้ในที่แคบๆก่อนเจอกับงูตัวเล็กๆ เ, เจอกับแมงป่องเจอกับแบบเล็กๆ ก, ก่อน พอตื่นขึ้นมาเนอเจอกับเหตุการณ์ใหญ่ละท้องฟ้าถล่มทลายพอเจอกับท้องฟ้าถล่มทลายสเตปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือไปเจอกับเิรอบซึ่งข้างล่างนี้เป็นเป็นท้องที่เต็มไปด้วยไฟและมีแอลเคลไลมีตะขอที่คอยจะตะเค็บบนตบกนอย่ตบกทีละทีลชั้นทีละชั้น ต้องเจอกับเหตุการณ์วันเกยมัดเนี่ยไม่ใช่เจอทีเดียวจบแต่เจอจิลนิทจิลนิทจิลนิทจิลนิทเตรียมตัวเอาไว้สุภานัลลอฮ์วิธีการนําเสนอของอัลกุรอานนี่มันช่างดึงดูดพวกเราเหลือเกินพี่น้องครับนะมันมีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราจะทบทวนเรื่องต่าง ๆ, ๆเหล่านี้นะครับเพราะว่า สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยลอตเตอร์อาราบอกว่าละอีลาห์อิลล allah มันมันมันมันทำมันเนี่เราก็ไม่รู้จะพูดนะครับว่าไอคนที่ไม่ยอมเชื่อคนที่ไม่ยอมรับฟังรับฟังคือคือรับฟังก่อนก็ยังดีอย่างพวกเราอะฟังก่อนเนี่ยวันนี้เรามาฟังละแต่มันมีคนอีกประเภทหนึ่งที่แ่บไม่ยอมรับฟัง ซึ so, Allah kap ini. Kem, sang, aru, ่งอัลลอฮ์ก็พูดถึงคนประเภทนี an, ้ไม่อยากรับฟังแถมยังสั่งไม่ให้คนอื่นฟังด้วย وقال ا ل ก ي ฟ كفروا لا تسمع لهذا ا ل ر آ والغافِي ب د ا ف و و ا لا تسمع ل ا القرآن อย่าฟังอัลกุรอานี้ و ا ف ِแล้วก็ทับเล่นเล่นกับอัลกุรอานอย่าไปฟังอัลกุรอานนี่คือประเภทคนที่ไม่รู้จะไม่รู้จะจัดประเภทอยู่กลุ่มไหน ฟังก่อนเพราะเราเชื่อว่าอัลกุรอานนี่มันจะมีพลังของมันคุณฟังวันนี้คุณยังไม่เก็ตยังไม่ซึมซับยังไม่อะไรฟังอีกวันนี้คุณไม่ยังไม่ซึมซับพรุ่งนี้คุณอาจจะซึมซับพรุ่งนี้ยังไม่ซึมซับอีกฟังอีกอาทิตย์เดือนหน้ามันยังมีความหวังถ้าถ้ายังฟังแต่ถ้าไม่ฟังเนี่ยขอตลลอากุลูบิหิม وعلىسمعهم وعلىأبصارهم وعلى เอะอไรนะ وعلى ختم الله على قلوبهم وعلىسمعهم ولاأبصارهم علىأبصارهم غ ش ا و ل ه م عذاب ل م นคือคนที่ไม่ยอฟังเนี่ยล่ใจปิดหูปิดตาย่าเป็นคนที่ถูกิดหูปิดตาิดจ ปิดทุกอย่างไม่ให้ฟังคำสั่งของอัลลแล้ฟังก่อนเผื่อว่าอำนาจแห่งอัลกุรอานนี่จะซึมซับเข้าไปในหัวใจของเราและพฤติกรรมเร็เวๆชั่วๆที่เราคิดว่าชาตินี้เนี่ยกูเป็นคนดีไม่ได้แล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเพราะอัลกุรอานนะครับขนาดอุมารอิลขับตบเปลี่ยนได้เราแน่กว่าอมาุมัรไหมะเราแน่กว่าอุมรัรหรือเปล่าเราแน่กว่า ใครต่อหลายคนในสมัยยะฮิเลียของยุคท่านนบีสุลตัลลอฮฺสัลลัมไหมถ้าเราคิดว่าเราเป็นนักเกลงแล้วเนี่ยเราสู้อุมมัดได้หรือเปล่าถ้าเราสู้อุมัดไม่ได้อุมมัดเปลี่ยนเพราะเพะอัลกุรอานเรานักเกลงมาจากไหนไม่เปลี่ยนกับอัลกุรอานแสดงว่าแสดงว่าใช่ได้ยนะครับฟังก่อนนะครับฟังก่อนอัลกุรอานซุลลอฮฺซุบะฮาะะาบอกว่า ฟา마และโฮมแลอยู่มีนูนอัลลอฮ์คำถามนี่หนักมากทําไมคนพวกนี้ถึงยังไม่ศรัทธามันเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์พูดถึงขนาดนี้อัลลอฮ์อธิบายได้งดงานขนาดนี้อัลลอฮ์อธิบายได้ละเอียดขนาดนี้ในอัลกุรอานในคําพีรของพระองค์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ละอายัดแต่ละคำแต่ละประโยคแต่ละอะไรที่อัลลอฮ์ตรัสถานำเสนอมาเนี่ยคาเฟ่ไม่กล้าที่จะมาตอกอน ไม่กล้าแม้แต่แม้แต่ที่จะคือยอมรับโดยดุษดีแต่ว่าไม่ยอมศรัทธาทรไมล่อผมเล่าอายุนี้น่อยเขาถามว่าถ้ามันเป็นอะไรอีกเนี่ยทําไมมันถึงไม่ยอมศรัทธาถึงขนาดนี้ไม่ยอมที่จะฟังไม่ยอมที่จะเชื่อถึงขนาดนี้ سبحان الله لا إله إلله ไม่ใช่เฉพาะไม่ยอมศรัทธา وإذا قرأ عليهم القرآن لا يصدود ولا تقرأ القرآن ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาเข้ามายอมที่จะสุญูดการอายัดนี้เนี่ยการสุญูดเวลาที่ได้ยินพวกอายัจจดสันจิดาอย่างนี้มันมีหะดิษที่รายงานที่บอกว่าทุกครั้งที่ลูกหลานของอาดัมสุญูดชัยตอนจะร้องไห้เพราะอะไรทุกครั้งที่เราที่ ท, ท, ท, ที่ที่มันเห็นเราสุญูดไม่ว่าจะเป็นสุญูดติลาวะหรือสุญูดอะไรก็แล้วแต่ ชายตอนจะร้องไห้เพราะมันบอกว่าอัลลอ์เคยสั่งให้มันสุจูดแต่มันไม่ยอมสุจูดมันก็เลยโดนไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอ์สุบฮามัตลาถุละนะในขณะที่มนุษย์นั้นเวลาที่ Allah อัลลอ์ตะลาบอกให้สุจูดเวลาที่เจอกับอายัดแบบนี้มนุษย์ก็สุจ u ดชายตอนก็เลยนะครับ ความรู้สึกเดิมๆของมันเนี่ยอดีตของมันเนี่ย ก, ก็เลยหวนกลับมาเพราะมันหวนมันมันกลับไปไม่ได้แล้วเพราะอะลอตาลาเสร็จสับเรียบร้อยฮุ ก, กุมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่าชัยตอนเนี่ยจะเป็นนะจะเป็นผู้นำของชาวนารกแล้วนะโอ้โหเป็นละห์มันอะไรละอิลลาห์อิลล il allah ละอิลลาห์อิลล allah เน้องเคยไหมครับเวลาเวลาที่เราสุญญุตแล้วเรามีความรู้สึกที่ มันอธิบายไม่ได้นะครับอิบาดัดที่ดีที่สุดก็คือการสุญูดในละหมาดเนี่ยตอนที่มันดีที่สุดก็คือการสุญูดเพราะฉะนั้นเวลาสุญูดเนี่ยสุนนะให้เราสุญูดนานๆสุญูดให้เขาเรียกว่าสุญูดแบบแบบสมบูรณ์ท่านนบีเคยสอนบรดาฑะสาบะของท่านว่าสุญูดอะไรนะให้สุญูดบนเจ็ดอวัยวะ ทราบไหมครับเวลาสูดจุนี้ต้องให้เจ็ดอวัยวะนี้ติดกับพื้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะนี้ไม่ติดกับพื้นแสดงว่าสูดจุใช้าไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นสูดุในละหมาดหก็คือหน้าผากกับจมูกหน้าผากกับจมูกนี่อันเดียวกันนะครับบางคนสูดจุเฉพาะหน้าผากแต่จมูกนี่ไม่ติดดินไม่ติดพื้นไม่ได้จมูกต้องติดพื้นด้วยต่อไปก็คือฝ่ามือทั้งสองสานะครับ ต่อไปก็คือหัวเข่าทั้งสองแล้วก็ปลายเท้าทั้งสองนี่คืออวัยวะทั้งหมดที่จะต้องสุ j u ดนะครับและเวลาสุ jud เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยให้กางแขนกว้างๆคือสุ j ุดให้มันมีความรู้สึกว่ามันหนักแน่นสุ j ุดแล้วไม่รู้สึกเหนื่อยาบางคนสุ jud เพราะว่าอะไรเพราะตั้งท่าไม่ดีตั้งท่าออเาตั้งท่าออกกำลังกายไม่ถูกบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกัน อ้าวสูดหุดนี่ถ้าออกกากงกว้างๆอย่างนี้นะครับเวลาสูดหยุดมันรู้สึกสสติดหนึบอย่างเงี้ยฮะเรียกว่าล้อมันติดกับถนนนี่ยเกาะถนนน่ยนะสูดหยุดอย่างนั้นแล้วก็เท้านี่ให้ชิดกันมันจะได้อยู่นานๆแล้วเวลาสูดหยุดมันจะมีความ ร, ร, รู้สึกว่ามันได้อารมณ์ในการสูดหยุดต่อ Allah سبحانه และห้ามวาง อ, อ, อะไรนะวางแขนเนี่ยวางแนบกับพื้นอย่างนี้ เพราะว่าการวางเน่กับพื้นอย่างนี้นี่เป็นท่าของสุนัตนะครับเป็นท่าเป็นท่าของพวกสัตว์สีเท้าพวกเสือพวกซึ่งท่านนาบีไม่ต้องการให้ให้ให้พฤติกรรมหรือว่ า, าการกระทําของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับพฤติกรรมของสัตว์นี่คือเล็กๆน้อยๆยเกร็ดเวลาที่เราจะสู่อในฮะดิษท่านนาบีสุลต่านบอกว่า ส, าลาสาลาุสาลต่านอัครบอัครบไมยอาจคุละับนดูอีลาอบลลัตวะฮ์แะซาจิด ช่วงเวลาที่มนุษย์หรือบ่าวของคนหนึ่งจะได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺบาวแต่ละมากที่สุดก็คือในขณะที่เขากำลังสุจุดเมื่อหน้าผากจะหดพื้นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราจะขอดูอาฟอักษิรูฟีฮิบินดวอานะครับจงขอดูอาให้เยอะๆในขณะสุจุดนะครับแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเป็นสุจุดในละหมาดดวอาที่เราจะใช้ขอจะต้องเป็นภาษาอับานั้น ต้องไปฝึกภาษาอรับมากอ่อนะเป็นดูอาัลภาษาอับแต่ถ้าเป็นนอกเป็นนอกละหมานะขอเลยครับตามสะดวกเลยจะเอาภาษาอะไรก็ได้นะที่บอกว่าขอภาษาอับนี่หมายถึงว่าสิ่งที่มันออกจากปากของเราแต่ถ้าเราเนียดในใจนะขอในใจเนี่ยภาษาอะไรก็ได้เหมือนกันอยากให้ออกมาทางปากก็แล้วกันอย่าเอารอฉันขออย่างนั้นฉันขออย่างนี้ในสุดญ์ละหมาของเราจะเสียงรอฮอบ และอิลลัลลอฮนะครับการสุ jud ท, ที่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยบรรดานาบีคนก่อนๆบรรดาอัลสลัฟซอละอิบนับบาส ah, หนึ่งในจํานวนคนที่สุ j u ดเยอะมากเป็นคนที่ชอบสุ jud จนกระทั่งบั้นปลาชีวิตของท่านตาบอดทั้งสองท่านเพราะสุ j u ดนานสุ j u ดนานแล้วก็ตอนแรกตานั้นเริ่มมีอาการพร่ามวัว ก็ไปให้แพทย์มาดูแพทย์ก็บอกว่านะหมอมาบอกว่าท่านจะต้องระวังเวลาหยดนี่อย่าอย่าหมอย่าหมมากนะเอาให้มันแค่พอดีพอดีน้บัสบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะยอมแรก <c oughs> กับการคือยอมแรกการสูญเสียตากับการที่ได้สูญ นั่นไม่ยอมคือต้องการที่จะสุญูดให้เยอะถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องสูญเสียสองดวงตาสองข้างไปสุข่างอัลลอฮ์นี่คือคนที่รู้คุณค่าของการสุญูดนะครับอัลลอฮุอะลลอฮลองนะเราลองมาสุญูดแบบใหม่กันดูแบบไม่ใช่สุญูดแบบใหม่แบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าของเราเนี่ยให้มันให้มันเรียให้พัฒนาขึ้นจากการสุญูดแบบปั๊ๆเพิบบางทีนับไม่ถึง นัาไปถึงสามหนึ่งปปุ๊บปมันละหมาดเหมือนไม่ได้รสชาติอะไรเลยเหมือนนะเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรประมาณนั้นลองละหมาดให้มันแบบเต็มเต็มอ่ะได้ไหมละหมาดแบบเต็มเต็มเหมือนอุมารอิมานอัลอาซิสอุมารอิมานอัลอาซิสเนี่เป็นคนที่ละหมาดแล้วละหมาดแบบเต็มเต็มสุญูดแบบเต็มเต็มรักก็แบบเต็มเต็มเนี่ย ส อ, อย่างนี้แหละที่สำคัญเราะ็กับสุญญดเพราะอย่างอื่นนี่มันจะสั้นๆเรากร็แบบเต็มๆแต่มันไม่ใช่แค่สุภานเ ร, ราเวลาอาซีสามครั้งไอ้สามครั้งนั้นวัดยิบให้มากกว่านั้นถามว่าได้ไหมได้แล้วก็ดีด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะในละหมาดสุนัตซึ่งเราไม่ได้เป็นอิห ม, มัมละหมาดสุมาดละหมาดสุนัตเราละหมาดคนเดียวเนี่ยให้มันนานสักนิดนึ่งให้มันนานมีฮะดีษที่บอกว่าท่านนบีเราะเบาะเท่ากับการที่ท่านยืน ตอนที่ท่านอ่านเราเคาอ่านท่านเคาะนานเท่าๆกัคือเกือบๆจะเท่าเท่ากันอาจจะไม่ได้เท่าเป๊ะๆสุดหยุดเท่าๆกับที่ท่านเคาะเท่าเทกับที่ท่านยืนเหมือนกันนี่คือหัวใจของการละหมาดการละหมาดเนี่ยเราละหมาดเพื่ออะไรเราละหมาดไม่ใช่เพื่อผ่านๆอัลลอฮฺอัลลอฮฺบอกว่าว่อักิมิซซาลาจาริซิครีจงละหมาดเพื่อรำลึกถึงถึงฉันละหมาดเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺละหมาดเพื่อให้เกิดขุชู อัที่นท่ขาิแล้วละมาดแบบไก่จิกข้าวเนี่ยไปไปไม่ได้เราที่จะคุโชโฉไม่มีเวลาที่จะนึกถึง a ลอ a h ด้วยซ้ำนึกถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองจะทำหลังจากละหมานั่นแหละครับต้องปรับใหม่ต้องปรับทัศนคติใหม่แล้วก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมของเราให้ให้การละหมาดของเรานั้นเป็นละหมาดที่มีอรรถมีรสชาติของมันนะ ค, ะครับแล้วท่านนั่นงเก้าี้นะมา ก็สุดหยุด ต, ตามลักษณะของการนั่งทําได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นจะถ้าจะให้สุดหยุดจริงๆก็คือต้องสุดหยุดข้างล่างถ้าสุดหยุดมานั่งก็อนุโลมไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่อุศรใช่ไหมครับก็ได้แค่นั้นนะคงบอกยังไงอ่ะบอกบอกถ้าจะเอาจริงๆก็คือลองลองเขาเรียก ว, ว่าลองไหมสักครั้งหนึ่งลองเขาเรียก ว, ว่าหักหัก หักดิบลองสุญญดกับพื้นสักครั้งหนึ่งไหมอ่ามิชัลล์คือบางทีเรื่องนี้เดี๋ยวคอยพูดทีหลังนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่เราละหมาดแบบนั่งช่้งและเวลาไหนที่เราละหมาดบนเก้าอี้มันมีรายละเอียดย่อยผมเป็นห่วงแล้วเกินว่าบางครั้งเนี่ยเราชอบสบายมากเกินคือบางทีมันไม่ได้อุจจตมากแค่เจ็บหลังนิดหน่อยสมัยก่อนเนี่ยซอฮาบะนี่ถือไม่เท้าและหมาด ก็ราอะไรป่วยแต่ถือไม่เท้าละหมาดยอมที่จะยืนมากกว่านั่งเราไม่ได้ป่วยเพราะไคือเดินมาสู่เราได้แต่พอมาถึงสู่เราปุ๊บเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็นั่งละหมาดเอผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเ อ, อ้างเหตุผลอะไรตรงไหนนะครับวันละลหวลัวเราแต่ว่าละหมาดมันเป็นกิจวัตรที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพยายามทำให้มันดีดีกว่าครับ อะไรที่มันเล็ก ๆ, ๆ, ๆนะ้นยะปวดหัวนิดหน่อยปวดฟันนิดหน่อยนี่มันมันไม่ถึงตายหรอกที่เราจะละหมาดยืนแลว้วก็ละหมาดให้มันแบบคนมันแบบเต็มเต็มยกเว้นว่าถ้ายืนแล้วมันจะล้มมันจะโอเคนั้นยังพอว่าอ่าแต่ว่าเอะผมกลัวลเล็กเกินว่าเราเนี่ยจะพอทําเล่นเล่ น, ล น, ลนกับกับละหมาดแล้วเนี่ยถ้ไม่าลืมนะครับว่าละหมาดจะเป็นอมามะแรกที่ถูกสอบสวนถ้าละหมาดไม่ผ่าน ยังอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ตละอลจะไม่เอาเลยเอวุลมะย حاسب العبد يوم القيامة الصلاة สิ่งแรกที่อัลลอฮฺ سبحانه แาาละจะสอบสวนบาวของพระองค์ในวันเกิยาติก็คือการละหมาทำให้ดีครับเอาให้มันจริงจริจังจังก่อนถ้าไม่ไหวจริงจริ ง, ร ง, ร ง, อ, ร ง, รงอ่ะค่อยขยบมาในช่องที่อัล ล, ลอฮฺอานุโลมให้แต่ตราบใดเรต้องสู้กับตัวเอง เพาอย่าลืมว่าไอ้ที่เราละหมาดเนี่ยเราไม่ได้ให้กับอัลลอฮฺต์อัลามันคือให้กับตัวเองนะอัลลอฮฺตะอัลาเนี่ยถ้าไม่ละหมาดถ้าเราละหมาดเนี่ยความสมบูรณ์ของพองค์มันก็ไม่บิดผิวมันไม่มันไม่บกพร่องแล้วมีแต่เราเนี่ยแหละที่จะบกพร่องเพราะเราทําไม่เต็มนะผมมันจะไม่ได้ไม่ได้จะฮุกกลมว่าคนละหมาดนั่งคือเขาต้องพิจารณาตัวเองว่าจริงไหมที่เขาละหมาดนั่งบนเก้าอี้เนี่ยเขามีความจําเป็นจริง ๆ, ๆ, ๆริจริงๆหรือเปล่า นะครับเขาทราบกฎกุมของมันดีหรือเปล่าหรือว่าเขาเห็นคนอื่นทําอย่างนี้ก็เลยอยากจะทําบ้างเพราะมันสะดวกกว่าสําหรับเขาอันนี้ไม่ได้นะอิสลามง่ายก็จริงแต่ไม่ใช่ง่ายแบบตามฮาวานัสซูหรืออารมณ์ของเราเราจะคิดยังไงจะทําตามใจของเราไม่ได้ต้องถามก่อนว่าได้หรือไม่ได้แบบนี้ได้หรือไม่ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับช่วยถ้าใครพูดได้ก็ช่วยช่วยพูดนะครับถ้าเห็นพี่น้องที่เอ๊ะ เมืเ่อกี้เห็นเดินขึ้นบันไดได้แต่ทําไมพอขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยเอาเข่าอีมันตั้งครัผมก็ชักจะงงๆงงๆอะไรประมาณนี้นะครับมีไหมครับก็พอมีบ้างนะครับอ่าถ้าคนที่แบบว่ า, าต้องยกนะต้องยกมาต้องอะไรมาเนี่ยโอเคยังยังยังยั ง, ย ง, ยงพอชิดยะนะครับรับได้อยู่อัลลอฮฺุต้าลลาฮเอาให้จบสักนิดหนึ่งน ะ, นะครับอีกสามยัน์ بل ال الذين كفروا يكذبون الله تعالى บอกว่าถ้าว่าบรรดาพวกที่เป็นผู้ปฏิเสธสัทธานั้นพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เชื่อท่านนบีมุฮัมมัอไม่เชื่อนะครับวัลลอฮุอะอฺลัมบิมายูอูลและอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเก็บงําเอาไว้ในจิตใจถามว่า บรรดาพวกกุเรชในสมัยของท่านนาบีสุลที่พวกเขาไม่เชื่อท่านนาบีเพราะอะไรเพราะความคลุมเครือของอัลกุรอานไหมเพราะสิ่งที่ท่านนาบีสุลเอามาบอกเนี่ยรับกับปัญญาของพวกเขาไม่ได้ใช่หรือเปล่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ท่านนบีบอกมาเป็นสิ่งที่ดีอัลกุรอานนี่เป็นสำนวนวัวหารที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนความมหัศจรรย์ที่อัลกรุรอานสาธยายเรื่องท้องฟ้าเรื่องแผ่นดินพวกค น, คนเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตปฏิวัติความโมง่เขลาขนาดใหญ่ไม่เคยก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยได้ยินการพูดถึงวิธีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่ในในคันของมันดา แล้วกลายมาเป็นก้อนเลือดกลายมาเป็นก้อนเนื้อกลายมาเป็นกระดูกไม่เคยได้ยินดัะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คนพวกนี้จะไม่เชื่อว่าอัลกุรอานเป็นของจริงจากลอสบ่าวแต่ละแต่ที่ไม่เชื่อเพราะมีอย่างอื่นที่พวกเขาเก็บงำเอาไว้ในใจแต่ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกอัลลอฮฺตรา ล, าลาบ่กว่าวะลลาฮอะลเมอัล ล, ฮลอฮตาารัลรู ว่าคนพวกนี้เก็บเอาไว้เก็บอะไรเอาไว้ในใจของพวกเขาครับสิ่งที่เก็บไว้ในใจก็คือความตะ ก, กับบุตรความอิจฉาริษยาเพราะว่าสิ่งที่คนที่เป็นนบีคือเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมในความเห็นของพวกเขาวัาหมัดเป็นใครมาก่อนแล้วทําไมอยู่ดีๆจะมาเป็นนบีเหนือพวกเราเราจะต้องตามมาทำหมัดคนเดียวใช่ไหม ถ้าไปที่ม adinah ก็อัมบุลลาะเป็นอุบายเป็นซาลูหัวหน้ามุนาฟิกเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าของเมืองมดีนะมาก่อนเคยเป็นคนใหญ่คนโตพอท่านนาบีสลลลุสลตลานมาพวกอังซอฟที่อยู่มดีนะทั้งหมดเนี่ยเทใจให้กับท่านนาบีให้หมดเลยไม่มีที่ให้กับอัมบุลลาะเป็นอุ บ, ยบัยเป็นซาลูนี่ก็เลยคือคือสิ่งที่ทําให้คนพวกนี้เนี่ยบอกปฏิสัจธรรมทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขารู้อะ เรื่องที่ท่านนาบีเอามาบอกเอามาพูดนั้นเป็นของจริงอัลลอุบิลละเบ็นดาริอุสอัลลอฮุอัคบาร์แย่เหมือนกันนะครับคนที่ที่มีความคิดแบบนี้ในหัวใจอัลลอุบิลละเบ็นดาริอุสวะสัลลัลก็เลยบอกว่าซาบชิรุมบีอาซาเบนอเลีมจงให้ข่าวดีแก่พวกเขาเถิดอัมุฮัมมัดคนที่ชั่วคนที่ไม่ศรัทธาที่ให้ข่าวดีด้วยหรือไม่ครับ ให้ข่าวดีแต่การแต่การเที่ยวรับแต่ลาะว่าให้ข่าวดีตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะการประชดประชันเออบอกให้พวกนี้รู้เถอะว่าบีอาแยบินอาลีนคนเหล่านี้จะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวดประชดว่าเนี่ยเป็นข่าวดีของพวกคุณนะผมขอบอกพวกคุณว่าคุณได้รับรางวัลยิ่งใหญ่มากในวันอาคราชนั่นก็คือนรกยันนำอะไรก็ว่าไปเป็นการประชดให้คนพวกนี้ เกิดความเขาเรียกว่าความต่ำต้อยความ อ, าอดสูในสิ่งที่คนเหล่านี้แสดงพฤติกรรมต่อสัจธรรมต่อท่านนาบีมห h a ส m ล d s ล l l a l l ะ h u a ในนี้ก็บอกนะครับอันหนึ่งคำว่า h i ิรฮมซึ่งแปลว่าจงแจ้งข่าวดีทั้งทั้งที่เป็นการลงโทษอันเจ็บปวดนั้นไม่ได้หมายความว่าการลงโทษคือความกรุณาเมตตาดังบุคคลบางคนที่ไม่เป็นภาษารับเข้าใจ หากแต่เป็นสำนวนที่ใช้เย้ยหยันบุคคลที่กระทำความชั่วเท่านั้นหาใช่อื่นใดไม่ไม่ยอมศรัทธาใช่ไหมไม่ยอมเป็นคนดีใช่ไหมยังจะอยากจะอยู่ในความชั่วอีกใช่ไหมได้เอาเถอะฉันจะเตรียมขําวให้กับพวกท่านนั่นก็คืออาเซบุนอาลีมการลงโทษที่เจ็บปวดอิลลัลลีนาอามานูอฺอะมิลุสซาลฮฺละหุมอะจรฺงไรูมัมน นอกจากบรรดาผู้ที่ศรัท ธ, ธาและประกอบสิ่งที่ดีทั้งหลายเท่านั้นซึ่งพวกเขาจะได้รับรางวัลโดยไม่ขาดตอนคนกลุ่มนี้คือคนที่จะได้รับข่าวดีที่แท้จริงก็คือผู้ที่ศรัท ธ, ธาบาบชิริลบาบชิริลมุมินีนอัลกุรอานบอกว่าจงให้ข่าวดีแก่บรบรดาผู้ศรัท ธ, ธานะครับพี่น้องครับนี่คื อ, อบทสรุปสุดท้ายของซูร่าอัลอิชิฟาะที่ อ, อ, อลอฮพูดถึงวันเกียมัหรือ วันที่พวกเราทุกคนจะต้องกลับไปหา Allah นะอัลลอฮ์ س แะแบกอามัลของเราพฤติกรรมทุกสิ่งทุกอย่างของเราเพื่อกลับไปรับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ سبحانه ะ تعالى ทุกคนจะไม่ถูกอาธรรมอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى จะไม่อาธรรม و ิ ا يظلم مسقى له ال إن الله لا يظلم مسقى له ท่ากล้าว อัลลอฮฺจะไม่อธรรมจะไม่อยยติธรรมกับบาวของพระองค์แม้เพียงหนะักเท่าผมธุลีอายัดนี้สอนอะไรเรามันเตือนอะไรเราันย ara, มกาติน خير รยะะว่ายมิซกาลินชยะะนรับได้ที่เรามใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ด้วยความหลงลืมนะครับทั้งๆ ท, ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวัน ดวงจันทนระ์กลางคืนก็มาทุกวันกลางวันก็มาทุกวันอะไายะ ต, ต่างๆเครื่องหมายต่างๆที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบะละเราได้เห็นทุกวันแต่เราก็ยังหลงลืมใช้ชีวิตในสภาพของคนที่ไม่ยอมจะเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮฺสุบะละก็ต้องรับต้องยอมรับผลกรรมที่ตัวเองได้กระทําเอาไว้ในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้น อัลลอฮฺ war. คงไม่มีคําสั่งเสียอื่นใดที่จะดีไปกว่าบอกว่าอิตตักุลลอฮฺจงตักวาต่ออัลลอฮฺคำว่าตักวาต่ออัลลอฮก็คือการเฝ้ามองดูตัวเองว่าตัวเองจะเดินยังไงอุมัตอิมรุขตอบอุมัตเนี่ยฮีโร่ของเรานะครับเวลาที่อุมัตว่าอะไรเราต้องดูต้องฟังเพราะว่าท่านเป็นคนที่ ความคิดเฉียบแหลมแล้วก็มีอะไรที่ให้เราได้ได้ทึ่งอยู่ตลอดเวลาสมมติอิมรุขตอบเนี่ยเป็นสหายแต่ท่านต้องไปถามสหายอีกคนหนึ่งคืออุบัยเบนกาอุบัยเบนกาอับเป็นสหายที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัลกุรอานจะบอกว่าในหมู่สหายกันเองเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญ เหมือนกันไม่ใช่นะสถาบันความรู้ก็ไม่เท่ากันคนนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากอย่างอุณนอ บ, บัซจะรู้เกี่ยวกับฟเอเรสอาลีจะรู้เกี่ยวกับการกระบะการเป็นผู้พิพากษาอย่างนี้เป็นต้นอ บ, อบูบัคก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะของท่านที่เป็นโดดเด่นอุบัยเป็นขับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอัลกุรอานอาุมัดก็เลยต้องถามอบาุบัย นะอุมัดนะเป็นคอลีฟฟะเป็นผู้นำประเทศแต่ว่ามาถามคนที่เป็นซอฮับธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรอย่างอุบายเป็นครับมาถามว่าตะกัานี่มันยังไงอ่ะเพราะในอัลกุรอานนี่ตักัวนี่เยอะมากทุกเรื่องตะกัวหมดเลยการกินก็ต้องตะกาัาการใส่เสื้อผ้าก็ต้องตะกวัวนี่อัลกุรอานหมดเลยนะการอยู่กับภรรยาก็ตักวา่าอย่าภรรยาแล้วก็ต้องตะกววอ๋อ เลี้ยงลูกก็ต้องตักว่าอยู่กับเพื่อนฝูงก็ต้องตักกว่าจะไปสงครามก็ต้องตักกว่าทุกอย่างตักว่าหมดเลยอมาตก็เลยถามอุบัยว่าเอ๊ะตกลงตักว่านี่มันคืออะไรจริงๆแล้วตักว่าเนี่ยอธิบายมาหน่อยสิอุบายเป็นกลาบก็เลยถามอุมาตย์อิมรุขอตอบกลับไปว่าท่านเคยเดินไปยังพงพงหนามบ้างไหม ไอ้ที่มันเป็นหนามทางที่มันมีแต่ต้นหนาที่มันมีพวกพวกตอพวกอะไรเนี่ยที่มันไม่เรียบเรียบเนี่ยท่านเคยเดินไปแบบนี้ไหมที่แบบนี้เคยเดินไปไหมอุมาลก็บอกว่าเคยสิบอยก็ถามต่อไปว่าแล้วตลงท่านเวลาที่ท่านเดินไปสถานที่แบบนี้ท่านเดินยังไงเดินไปแบบชุบชุบชบุชบชบัชบชบับชับชับไหมอา่าหรือว่าเดินแบบค่อยค่อยเดินกลัวว่าหนามมันจะตำเท้าตัวไอ้ มัก็บอกว่าต้องเดินแบบระมัดระวัเง เ, เดินไปทางนู้นอะมีนามหรือเปล่าเดินไปทางนี้คอยดูตรงที่ที่มันไม่มีน้ำเพื่อจะเหยียบออไใบมันก็เป็นกระอักก็เลยตอบว่านั่นแหละคือทักกว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องใช้เหมือนกับการที่เราเดินไปบนเส้นทางที่มีแต่ขวาน้ําจะเสื้ออะไรกินเอ๊ะมีกินได้หรือเปล่ า, าจะพูดอันเนีเ้้มันดีไหม จะดูไอ้นี่ดูได้ไหมจะฟังไอ้นี่ฟังได้ไหมนี่แหละคือคนที่ตักกว่าป้องกันตัวเองตักกว่าตักกว่าก็คือการเกรงกลัวว่าเราจะทำผิดต่อหล่อสุบฮานอัลลอฮฺป้องกันตัวเองอย่าให้ทำผิดอย่าให้ผิดไม่ใช่ว่าอยากจะกินอะไรก็กินโอ้ไปร้านานู้นร้านนี้ไม่ได้ดูเลยแล้วไม่ได้สนใจเลยว่าอะไรอย่างนี้แสดงว่าคนไ ม, ไม่มีตักกว่าทำไมครับ เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยสิ่งนี้แหละที่จะพาไปอเครัตได้อย่างปลอดภัยตกกว่าอยู่ในมัสยิดออกนอกมัสยิดอยู่กับลูกอยู่กับเมียอยู่กับเพื่อนอยู่กับลูกน้องอยู่กับเจ้านายอยู่กับอยู่คนเดียวอิตตะกลล่าไฮซูมาคุนตะจงตักกว่าต่อหล่อไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนนะครับนี่คือคําสั่งเสียสุดท้ายสําหรับคืนนี้ห <c oughs> วังว่าพี่น้องนะครับคงจะ เอาไปทบทวนตัวเองด้วยนะครับเรื in, ่องของตะกวนได้ยินท uh ุกอาทิตย um ์ยาฮูฮ์ล al ัดินอามานุตกุลลาฮ์อัลกุตุคาร์จ์จ๊ะัลลัลลอฮ์วะเอียะคุม์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์